อุทิศบุญกุศลบุญกุศลอันใดที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้โพธิจารยาวัตรขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณจงเข้ามาสู่ทางแห่งโพธิญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่ต้องทนทรมานอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งกายและใจ ด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าขอให้ท่านเหล่านั้นจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเบิกบานอย่างไม่มีที่สุดตราบเท่าที่ท่านเหล่านั้นยังต้องเวียนไหวในสังสารวัฏขอให้ความสุขของท่านจงอย่าเสื่อมถอยขอให้ท่านเหล่านั้นได้รับรสแห่งกระแสความสุขอันยิ่ง ของเหล่าโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตราบใดที่จักรวาลยังดำรงตราบใดที่โลกยังคงอยู่ข้าพเจ้าขอดำรงอยู่เพื่อขจัดทุกข์ทั้งหลายในโลกให้หมดสิน้นไม่ว่าความทุกข์ใดในโลกขอให้มันมาสุขงอมอยู่ที่เพียงข้าพเจ้าขอให้โลกจงพบความสุข ด้วยบุญบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์ขอให้คำสอนที่เป็นยาขนานเดียวที่จะแก้ทุกข์ของโลกและเป็นแหล่งแห่งความมั่งคั่งและความสุขอันยิ่งจงดำรงอยู่ตราบนานเท่านานและกอบไปด้วยความสมบูรณ์และการเคารพ บ, บูชาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์พระมันชุโคสะ ผู้ประธานพรให้จิตของข้าพเจ้าน้อมสู่คุณธรรมอันยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอคารวะแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และเหล่ากัลยาณมิตรซึ่งความเมตตากรุณาของท่านเหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้าดำรงอยู่ด้วยความเข้มแข็ง